แนะนำบทอันกอรซอสบทอันกอซอสเป็นบทมักกิยาะมี88องค์การที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาคือเรื่องเกี่ยวกับการให้เอกภาพแบอัลลอฮ์ศาลและการฟื้นคืนจีตเป็นบทที่มีแนวทางในการดำเนินเรื่องและจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันกับบทอันนำและบทอาซูอัลลอ์แต่หลักของบทนี้หมุนเวียนในเรื่องของสัจธรรมและความเพท เรื่องการยอมจำนวนและความดื้อรั้นและเรื่องการต่อสู้ระหว่างพลพรร์ข้องอัลลอ์กับพลพรรคทของไส่ตอดในการนี้ได้นำมากล่าวไว้สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงในการปกครองและการใช้อำนาจโดยยกตัวอย่างเรื่องของฟิรอุนนักปกครองรที่ใช้อำนาจกดขี่ประชากรชาวอิสราเอลให้ได้ริมรัดการลงโทษอย่างแสนสาหัสคือการฆ่าบุชาย การไว้ชีวิตสตรีเพศและที่ร้ายกาจไปกว่านั้นก็คือแสดงความโอหังต่อหรอโดยการกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้าเรื่องที่สองคือเรื่องของการแสดงความโอหังและความหิพยองในการครอบครองทรัพย์สินเงินทองโดยยกตัวอย่างกอรูลกับพรรคพวกของเขาทั้งสองเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งการกดขี่กลมเหงความโอหังของมนุษย์ในการดารงชีวิต ด้วยทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศหรืออำนาจก็าตาม บ, บทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความเกลี้ยกลากของฟิรูฮุนความหยิ่งผยองและการบ่อนทำลายในแผ่นดินและวาทะแห่งความหยิ่งผยองในทุกการเวลาและทุกสถานที่จากนั้นได้กล่าวถึงการกำเนิดมูซาความกลัวของบรรดาที่มีต่อฟิรูฮุนและการโดนใจของอัลลอฮ์ให้แกนาโดยโยนเขาลงไปในแม่น้ำไน เพื่อเขามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติภายใต้การคุ้มครองของฟิรรูนเสมือนกับดอกไม้ที่หอมหวนอยู่ในถ้ำกลางเส้นหนามและโคลนตกบทนี้ได้กล่าวถึงมูซาเมื่อบรรลุนิติภาวะการที่เขาฆ่าชาวอียิปต์การอพยพไปนินแดนมัดยันและการสมรสกับบุตรสาวของนบีชูอายและการที่เอาลอดทรงใช้ให้เขากลับไปยังอียิปเพื่อเรียกร้องเชิญชวนฟิรูนให้กลับเข้ามา หาอัลลอฮ์ตลอดจนเรื่องของมูซาที่มีต่อฟิอูนอย่างละเอียดจนกระทั่งอัลลอฮ์ส่งให้เขาจมน้ําตายแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะที่ต่อต้านในการเผยแพร่ของท่านดาบี ม, มูฮัมหมัดซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัลและได้ชี้แจงว่าแนวทางของผู้หลงผิดนั้นเป็นหนึ่งเดียวบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกอรูและได้กล่าวถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างวาทะแห่งการอิมาน และวาทะแห่งความหญิงพยองบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะไปสู่ทางแห่งความสุขนั่นคือทางแห่งการอีมานซึ่งบรรดาศาสนาทูตผู้ทรงเกียรติได้เรียกร้องไปสู่บทอัลกออถถูขนานนามเช่นนั้นก็เพราะอัลลอ์ทรงกล่าวถึงเรื่องของมูซาอย่างละเอียดตั้งแต่การเกิดของเขาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้กันรอดูน และในเรื่องได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ได้ถึงการคุ้มครองและการคุ้มกันของอัลลอ์ที่มีต่อบา่าวผู้ใกล้ชิดของโพรและการให้ความตกต่ำต่อศัตรูของโพรด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอ เรื่องราวนี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำาพี้ยชัดเจนู น, น, ร น, รมมนเราเอาลัลลอฮ์จะอ่านให้เจ้าฟังบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและเฟรอูนด้วยความจริง เพื่อกลุ่มชนผู้ศ ร, รัทธาถ้าจริงคืออูนนั้นยิงพยองในแผ่นดินและทำให้ประชาชนนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่ม เขาทําให้ชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาอ่อนแอโดยฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเขาแล้วไว้ชีวิตเหล่าสตรีของพวกเขาแท้จริงเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บันทลายและเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดิน และเราจะทำให้พวกเขาเป็นผู้นำและทำให้พวกเขาเป็นผู้ได้รับมรดกและเราจะให้พวกเขาครอบครองในนดิ น, นและเราะใฟิลิปนและฮามานตลอดจนพผลของเขาทั้งสองได้เห็นในสิ่งที่พวกเขามีความกและเราด้ให้พวกเขาครอบครองในแผ่นดินและเราจะให้ฟิริปนและฮามานตลอดจนไายผลของเขาทั้งสองได้เห็นในสิ่งที่พวกเขามีความกลัว และเราได้ดนใจแก่มดาของมูซาจงให้นมแก่เขาเมื่อเธอกลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปใไนแม่น้ำและเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศก แท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราใช้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาทู ต, ะตะอดังนั้นบริวารของฟิรอาวได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรูและความเศร้าโศกเสียใจก่พวกเขา แทจริงฟิรูนและฮามานและไพรพลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิดและพระยาของฟิรูนกล่าวว่าเขาจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่ฉันและแก่ท่าน อย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวใหม่และจิตใจของบรรดามูซาได้คลายความวิตกกังวล น, นางเกือบจะเปิดเผยกับเขา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 โดยที่พวกเขาไม่รู้และเราได้ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วเรื่องแม่นุ่มดงนั้นเธอพี่สาวของมูซ่ากล่าวว่าฉันจะชีนน้แนะชาวบ้านให้แก่พวกท่านเอาไหมเพื่อคุ้มครองเขาแทนพวกท่าน และพวกเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างดีลลนนดังนั้นเราจึงให้เขากลับไปหามารดาของเขาเพื่อที่จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแกนางและนางจะไม่เศร้าโศกและเพื่อนางจะได้รู้ว่า แท้จริงสัญญาของล้อ น, นั้นเป็นจริงแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขาบรรลุความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้วเราได้ความเข้าใจให้ความรู้แก่เขาและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ف و ك ز ه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان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 แล้วข่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการการะทำของใซยต์ตอรแท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทำให้หลงผิดอย่างแจ็บแั้นเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อะธรรมต่อตนเองขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วย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 เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองเขากลัวจะเกิดภัยแก่เขาขณะ น, นั้นผู้ที่เคยร้องขอให้เขาช่วยเหลือเมื่อวานนี้กำลังร้องเรียกให้เขาช่วยอีกมูซาจึงพูดกับเขาว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หลงผิดอย่างแน่นอน ألمَّا أن أرادَ أن يبطشَ بالَّذي هو عدوٌ لهما؟ قالَ يا موسى، قالَ يا موسى أتريدُ أن تقتُلني كما قتَلتَ نسَى بالأمس؟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 และท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นผ the well, ู้รองรองให้ดีต่อกันและชายคนหนึ่งได้มาจากทานเมืองอย่างเร่งรีบเทกกล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ย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 โปรดช่วยฉันให้รอดพ้นจากหมู่ผู้อธรรมด้วยเถิดและวเมื่อเขามุ่งหน้าไปยังเมืองมัดยังเขากล่าวว่าหวังว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะส่งชี้แนะแก่ฉันสู่ทางอันเที่ยงตรง ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصيررجع وأبنا و شيخ كبير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 ก็เป็นคนแก่มากแล้วดังนั้นเขาจึงตักน้ำให้แก่นางทั้งสองแล้วก็กลับไปพักใต้ร่มและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันอยากได้ความดี ที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ฉันแจตุอิห์ดะ ش ุมะทมุชี ت ัลอัลสติฮียากลาตอินน์อับบ ج ยะดูุกค์ล ا ยะจีซิค์อัจรมัส ا วีตเลนะฟ ا าลัมมาเจ้าเอตุว์วัควัซอานนางคนหนึ่งในสองคนได้มาหาเขา เดินมาอย่างขววยเขินแล้วกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อของดิชันขอเชิญท่านไปเพื่อจะตอบแทนค่าแรงแก่ท่านที่ได้ช่วยตักน้ำให้เราท่านเมื่อเขามูซาได้มาหาเขานาบีสุไอยและได้เล่าเรื่องราวให้แก่เขาฟังเ้านาบีสุอีฟได้กล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวท่านได้หนีพ้นจากกลุ่มชนผู้อาธรรมแล้ว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 เขามูซากล่าวว่านั่นคือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉันจะปฏิบัติให้ครบหนึ่งในคำสั่งทั้งสองจะไม่ลำบากใจแก่ฉันและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราพูดกันละนะความโมซัลอาจลว่าสารบ ه ه ิอัลลิฮีอานสเหมียญจับุกูลินารอดกาลลิอัลลิฮิมกุตูอินนี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 ยามมซากบิ u i l อิน ت خ ั إنك من ا ل آ م ي นและเจ้าจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับหมูเขาก็หันหลังหนีและไม่กลับมามองอีกโอ้มูซาเอย๋ยจงเข้าไปใกล้ๆเธอและอย่าหวาดกลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในหมูผู้ปลอดภัย ان ان จงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้า มันจออกมาขาวปราศจากอันตรายใ ด, ดๆและจงเอามือแนบตัวเจ้าไว้เพื่อคลายความตกใจนั่นคือสัญญาณทั้งสองจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไปยังเฟรอูนและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเขามูซากล่าวว่า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 ดังนั้นขอได้โปรโดส่งเขาเป็นผู้ช่วยร่วมไปกับฉันด้วยเถิดเพื่อเขาจะได้ยืนยันให้แก่ฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธฉันพระมงอัลลอฮตรัสว่า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 ا إ ا آ ดังนั้นเมื่อมูซาได้มาหาพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายอันชัดแจ้งของเราพวกเขากล่าวว่ามันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเวทมนต์ที่ถูกกลุกขึ้น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 พระเจ้าของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่นำแนวทางที่ถูกต้องมาจากพรุงและผู้ที่บ้านปลายแห่งที่พมนักจะเป็นของเขาแท้จริงพวกอธรรมนั้นจะไม่ประสบชัยช น, นะ فأوَقِدْ لِيَ ه َ م َ ا عَلَى الطِّينِ ف َ ج ع َ ل ْ لِي ص َْ ح ً ا لَعَلِي أ َ ط ل ِ ع إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي ل َ ظ َُ ه ُ مِنَ ا ل ْ ك َ ا ِِ ي ن َและฟิรูนกล่าวว่าโอปวงบริวารเอ๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื like ่นใดของพวกเจ้านอกจากฉันโอฮามานเอ๋ย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 บันปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นเช่นไรถ้าเราได้ทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกยานน้ำและในวันกิยามาพวกเขาจะไม่ได้รับความชื่นพุมเี้าิดดุนยา แลวเราได้การสาบแช่งติดตามพวกเขาในโลกนี้และในวันเกียรมาพวกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขับไล่ออกจากความเมตตา และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำภีแก่มูซาหลังจากที่เราได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก้งแก่ปวงมนุษย์เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาหวังว่าพวกเขาจะได้ไขขวด َمَا بِجَانِ كُنْتَ بِالْغَرْبِهِ إِذْ مُوسَ وَمَا الشَّاهِدِينَ และเจ้ามูมหมัดไม่ได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างพิศวันตกเมื่อเราได้กำหนดกิจการแก่มูซาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเป็นพยา แต่ว่าเราได้บังเกิดอีกหลายศตรวตรรษแล้วการมีชีวิตอยู่ก็ยืนยาวแก่พวกเขาแต่เจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ร่วมกับกลุ่มชนของมัดอย่างเพื่อสาทยายองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาแต่ทว่า وما كنت بجانب الطور إبن دينا ولكن رحمة من ربك رحمة من ربك لتذر قوم ما أتام من ن ي من ق د ك من ن ي من قدرك لعلهم يتذكرون. ل ا م م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 ครั้นเมื่อสัจธรรมจากเราไดมาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่าทำไมเขามูหมัดจึงไม่ได้รับเยี่ยงที่มูสาไดรับเรา พระพวกเขามได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานให้แก่บูซาก่อนดอกหรือพวกเขากล่าวว่าทั้งสองคือเวทมวนต์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธทั้งสิ้นรุน่งก ล, ล่าวเถิดมูฮัมหมัด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 ถ้าจริงอลอจะไม่สรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาถรรพ์และโดยแน่นอนเราได้พระดำรัสอัลกุราสืบต่อนเนื่องกันแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญบรรดาผู้ที่ประธานคำพีแก่พวกเขามาก่อน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 แต่เราจะทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่โปรงทรงประสงค์และพปรงทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง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 และพระมูพระพ่บานของเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งาศาสนทูตขึ้นในเมืองหลวงนั้นโดยอ่านองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขา และเราไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายเว้นแต่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อารรมและสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงปัจจัยยางชีพของโลกนี้และเป็นเครื่องประดับของมัน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 บรรดาผู้ที่พระดารัสการลงโทษคู่ควรแก่พวกเขากล่าวว่าโอ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 สุบฮาณาหาวันยิ่งศรพยาติและพระผู้อัพิบาลของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่แพรงสร้างประสงค์และทรงคัดเลือกสําหรับพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลี่ยงมหาบริสุทดแด่อัลล่ะและพรงสร้างสูงสร ง, งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีว่าระบบเขาอัลลมไหมตุขนスตรปุมไหมอย่าหน a t a และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงรับรู้สิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดอยู่และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยวว่าและพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์เท่านั้น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 ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือหากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางคืนมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันขีย m m a พระเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่าที่จะนาแสงสว่างมาให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่รับฟังดูบ้างหรือุออกกด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 เพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นพวกเจ้าไม่ได้พิจารณาไตรตรองดูบ้างหรือ ว, รรว่าเมื ت ت ม่อละละละละคาวามเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงทาให้มีกลางคืน และกลางวันเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นและเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและจงดำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่า เราภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้างแล้วเราได้เอาพยานออกมาจากทุกๆประชาชาติแล้วเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามา ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าแท้จริงสัจธรรมนั้นเป็นของอัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้กู่ขึ้นนั้นได้สูญไปจากพวกเขาเสียแล้ว <S <S แท้จริงกอรูนมาจากกลุ่มชนของมูซาเขาได้กดที่ต่อพวกเขาและเราได้ประธานทรัพย์สมบัติอันมากมายให้แก่เขาจนกระทปปั่งรูกกุญแจทั้งหลายของมันนั้นเมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึง่งยกแบกได้ความยากลำบาก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 ب ب และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงประทานมาแก่เจ้าเพื่อพรโลกและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้และจงทำความดีเสมือนกับที่อัลลอ์ได้ทรงทำดีแก่เจ้าและอย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานผู้บ่นทำลาย เขากรุนกล่าวว่าฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉันเขากอรุนไม่รู้ดอกรู้ว่าแน่นอนอัลลอ์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่าและมีพรรคพวกมากกว่าก่อนหน้าเขาในสัตวรวัก่อนและบรรดาผู้กระทำความผิดจะไม่ถูกสอบเกี่ยวกับความผิดต่าง ของพวกเขาดอกหรือดักราจ على قومه في زينته ق ا ล الذين يريدون ا ดังนั้นเขาได้ออกไปหากลุ่มชนของเขาด้วยเครื่องประดับอันโอออาของเขาบรรดาผู้ปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้กล่าวว่า โอหักเรามีเช่นที่กอรูนได้ถูกประทานมาแท้จริงเขาเป็นผู้มีโชควาสนายิ่งใหญ่จริงจิและบรรดาผู้ได้รับความรู้กล่าวว่าความวิบัติจงกระสบแก่พวกเจ้า ผลละบุญแห่งอัลลอ์นั้นดีกว่าสำหรับผู้ศรัทธาและกระทำความดีและไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อ ด, ดัลตุาาดิาาลมัมดังนั้นเราจึงให้ธรณีสู่เขาและเทหสถานของเขา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 และบรรดาผู้ที่อยากมีฐานะเยี่ยงเขาเมื่อวานนี้จะกล่าวในวันพรุ่งนี้ว่าพึงทราบเถิดเป็นที่แน่นอนว่าอัลลอ์นั้นทรงให้ความกว้างขวางและทรงให้ขับแคบในเครื่องยังชีพ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากภูมิบาวของพระองค์หากไม่แช่ลอ้อทรงโปรดปรานแก่เราแล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปด้วยพึงทราบเถิดแท้จริงบรรดาผูป้ปฏิเสธสถานั้นจะไม่ประสบชัยชนะทิลคัดดาลอัลอาลฮิร์ตูนจ์แอลูฮาริลล์ดีนลายูริดูนัลูวันฟิลอัลดิวลาฟาซาดะ ดด น, น, น, นั่นคือที่พมนักแห่งปรโลกเราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ตราตนาความหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อความเสียหาย และบ้านปลายย่อมเป็นของบรรดาผู้ยังเปรตผู้ใดนำเอาความดีมาเขาก็จะได้รับความดียิ่งและผูดด้ใดนำเอาความชั่วมา บรรดาผู้กระทำความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้ออุแนนท้จริงพระผู้รรทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้า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 إ إ ه ة ลา อ, ออาอิลลอิลล้าลฺทุกิงุอย่าง่ิดพลาุกิุอ่างที่ผิดลาดุุ่กยางิลาดทุกสิุกอย่าิลาดทุ่งทุอย่างี่ผิดพาทงอย่างที่ผิดพลากสิกอย่างที่ผิดพลาดุกสิ่งอย่างทีิดาทุกสิ่งออกอย่ากพิพลาุกส่งทุกอย่งท่พกิงกอางที่ดพลาดกสิงทุการที่ผิดพาดทสิท่งองพรงุ่ง และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป